หมวดที่4บันทึกท้ายบทพิเศษร่วมจัดทรรมโดยสันติโลทองวัณสุดาบัวจูมอลงกรสุวรรณเวสและครอบครัวชัยยศชลทรบันทึกพิเศษท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่หนึ่งอิทธิปาติหานิคำพี การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเท่าที่พบในพระไตรปิฎกคือทรมานหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวลกัสปะทรมานมาจากธรรมะแปลาว่าฝึกคือทำให้หมดทิฏฐิมานะหันไม่ยอมรับถือปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำให้เจ็บปวดทรมานพระกัพรมและพรมอีกองค์หนึ่งแก่ความเห็นของสุนัขขัด และแก้คำท้าของอาเจลกะชื่อปาติกะบุตรทรมานจนองคุลีมานทำให้พระภิกษุพวกหนึ่งประวันใจและมาเฝ้าเพื่อพระองค์จัดตรัสสอนทำให้จำพาะ บ, บางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในที่เร้นลับแผ่เมตตาให้ช้างรายนาลาคีรีมีอาการเชื่องข้อนี้ไม่ใช่อิทธิปฏิหารโดยตรงและการผจญอรละกกายักษ์ซึ่งก็ไม่ใช่แสดงฤทธิ์โดยตรง เรื่องที่มาในอัธกถาเช่นยมกัปฏิหารแก้คำท้าของพวกเดียรถีทรงนำพระภิกษุใหม่ห้าร้อรูปเที่ยวชมธรรมชาติในป่าหิมะพานแก้ความคิดถึงคู่รักคู่ครองเป็นต้นการแสดงอิทธิปฏิหารของพระสาวกที่พบในบาลีคือพระปินโดลภารทวาชะแก้คำท้าเหาะขึ้นไปเอาบาดบนยอดไผ่เรื่องนี้เป็นต้นบัญญัติ ไม่ให้ภิกษุแสดงอิทธิปฏิหารแก่ชาวบ้านพระมหาโมคลานะปราบมานพระปิรินทวัชชะนำบุตรของอุปถากกลับคืนจากโจรพระปิรินทวัชชะอธิฐานวางพระเจ้าพิมพิสาลเป็นทองเพื่อช่วยแก้ชาวบ้านจากข้อหาโจรกรรมพระทัพพะมัลลบุตรใช้นิ้วเป็นประทีปส่องทางนำพระภิกษุทั้งหลายไปยังเสนาสนะต่าง พระสาคตะใช้ฤทธิ์ให้ชาวบ้านเห็นถ้าไม่ต้องแสดงฤทธิ์ให้ชาวบ้านดูต่อหน้าพระพักเพื่อให้ชาวบ้านใจสงบพร้อมที่จะฟังธรรมพระสาคตะปราบหน้าของชดินข้อนี้เป็นต้นบัญญัติห้ามภิกษุดื่มสุราพระเทวทัตทําให้เจ้าชายอาชาสัตรูเลื่อมใสพระสารีบุตรและพระมหาโมคลากลับใจหมูภิกษุสิทธิ์พระเทวทัต ด้วยอนุสาสนีปาฏิหารที่ควบด้วยอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารพระมหาหกะบันดาลให้มีลมเย็นแดดอ่อนและฝนช่วยพระเทระที่กำลังเดินยามร้อนจัดจิตตาเขารหบปวีเห็นจึงขอให้ธรรมริทให้ดูและท่านได้บันดาลให้เกิดไพรามหามุคลาบันดาลให้เวชยานตประศาสันสะเทือนเพื่อเตือนสานึกให้พระอินไม่หมัวเมาประมาท พระมหาโมคลลาบรรดาลให้มีคารมาตุประสาทสันสะเทือนเพื่อเตือนสำานกของพวกภิกษุผู้จัดจ้านฟุงเฟอพระอภิภูสาวกของพระสิกขิพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยไม่ให้คนเห็นตัวให้เสียงได้ยินไปได้พันโลกธาตุส่วนเรื่องที่เล่าในอัตถกามีมากมายเช่นพระจุลปันธกะ บรรดาให้เห็นตัวท่านเป็นพันองค์พระมหามมคคลาธรมานนทโทปนันทะนาคราชพระปุณณะช่วยพ่อคา้าชาวเรือจากการทำร้ายของอมนุษย์และมีเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จสุนาประรันตะชนบทเป็นที่มาของพระพุทธบาทสองแห่งสามเณรสังคิจจับช่วยภิกษุส0สบรูปโดยอาสาให้โจรจับตัวไปบูชายันแทนและกลับใจโจรได้หมด สุมณสามเนนปราพยานาคพระสุนทราสมุทรเหาะหนีหญิงนางโลมเรื่องริดของคนอื่นมีมาในบาลีบ้างบางแห่งเช่นพรมสัมมาทิฏฐิทรมานพรมมิจฉาทิฏฐิฤาษีชื่อโรหิตตสะมีริดเหินเวหาด้วยความเร็วดังว่ายางเท้าเดียวก็ข่ามาหาสมุทรไปแล้วเหาะไปตลอดหนึ่งร้อยปีไม่หยุดเลย ก็ไม่ถึงที่สุดโลกตายซะก่อนโลกในที่นี้หมายถึงสาก ล, ลจักรวาลหรือสากลพิภพ พ, พระอินทร์แปลงเป็นช่างหูมาถวายบินทบาตแก่พระมหากษัะส่วนในอัธกถามีเรื่องมากมายโดยมากเป็นการกระทำของเทวดายักษ์วิทยาธรฤศีดาบทต่างๆผู้มีบทบาทมากท่านหนึ่งคือพระอินทร์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 แสดงความสำคัญของมโนกรรมเหตุให้อธิษฐานต้นไม้เป็นดินก็ได้เป็นน้ำก็ได้เป็นต้นกล่าวถึงคนที่เป็นโลกาทิปไตยเร่งปฏิบัติธรรมเพราะกลัวว่าสมณพราหมณ์และเทวดาผู้มีฤทธิ์จะล่วงรู้จิตของตน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 ชิงชัยชิงอำนาจกับมนุษย์แบบโลกโลกที่ติดมากับระบบเก่าเช่นพยายามหาทางทำลายตะบะของมนุษย์เป็นต้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่วิธีการแห่งคุณธรรมตามค ต, ติของพระพุทธศาสนาเช่นโลมาสกัสปะชาดกอลัมพุษาชาดกนลินิกาชาดกเป็นต้น ส่วนเรื่องที่เข้าสู่คติของพระพุทธศาสนามากบ้างน้อยบ้างมีมากมายหลายเรื่องเช่นในมหาสุวรรณราชาดกกันหะชาดกอคติชาดกสุรุจิชาดกสีวิราชาดกสัมพุราชาดกกุศาชาดกเตมิยาชาดกเวสสันดรชาดกเรื่องพระจักคุบาลเรื่องสามเณรเป็นต้นอันหนึ่งพึงสังเกตด้วยว่า ตามเรื่องในชาดกเหล่านี้เมื่อพระอินทร์จะช่วยนั้นมิใช่จะช่วยง่ายๆโดยมากมักจะมีบททดลองก่อนเพื่อทดสอบว่ามนุษย์ที่ทำดีนั้นมีความแน่ ว, แ น, วแน่มั่นคงในความดีนั้นแท้จริงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าแสดงคติพุทธศาสนาอย่างสาคัญจัดเข้าในทศชาติคือมหาชนกชาดกตามเรื่องว่า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 ราอินยั ง, ยงมีท้าโลกบาลเป็นผู้ช่วยคอยส่งบริวารมาตรวจดูความประพฤติของชาวโลกไปราย ง, งานให้ทราบด้วยบันทึกที่สสัจจกิริยาทางออกที่ดีสำหรับผู้ยังหวังอำนาจโดนบันดาล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 คือยกเอาคุณธรรมที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมาหรือมีอยู่ตามความจริงหรือแม้แต่สภาพของตนเองที่เป็นอยู่จริงในเวลานั้นขึ้นมาอ้างเป็นพลังอำนาจสำหรับขจัดปัดเป่าพยานตอรายที่ได้ประสบในเมื่อหมดทางแก้ไขอย่างอื่นวิธีการนี้ไม่กระทบกระเทือนเสียหายต่อความเพียรพยายามและไม่เป็นการขอร้องวิงวอนต่ออานาจดนบันดาลจากภายนอกอย่างใด ตรงข้ามกับเป็นการเสริมย้ำความมั่นใจในคุณธรรมและความเพียรพยายามของตนและทำให้มีกำลังใจเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกทั้งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับวัตถุหรือพิธีที่จะเป็นช่องทางให้ขยายกลายรูปฟันฟ่นเฟือออกไปได้สัจจกิริยาพบบ่อยในคำพีพุทธศาสนารุ่นอัธทธกถาเฉพาะอย่างยิ่งชาดก นับเป็นวิธีปฏิบัติที่ใกล้จะถึงความเป็นพุทธอย่างแท้จริงดังหลักฐานซึ่งหลายเรื่องมีลักษณะน่าจะเหลือเชื่อแต่คงเป็นธรรมดาของวรรณคดีตัวอย่างเช่นพิสูจน์ความเป็นลูกทำให้ต้นอ้อกลวงเพื่อช่วยฝูงลิงให้ดื่มน้ำได้โดยปลอดภัยลูกนกขอให้ตนพ้นภัยไฟป่าช่วยให้ชนะส ก, กาให้เด็กหายจากพิษงู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 นางโสเพนีให้แม่คงคาไหลกลับพระเจ้าอาโศกขอกิ่งมหาโพโดยไม่ต้องตัดให้พ้นจากการถูกลงโทษให้ช้างเหยียบในกรณีถูกใส่ความว่าเป็นโจรลูกอ้างใจจริงของแม่ให้พ้นภัยควายป่าไล่องคุลิมานประสงค์ความสวัสดีแก่หญิงคันแก่ราชามาหากปินะข้าแม่น้ำด้วยมา้าพระราชเทวีทำอย่างมาหากปพินะ เสียงดอกไม้ไปบูชาและนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ลูกหายจากพิษงูทำให้สามีหายป่วยเสียงทายว่ามีทักิณยะบุคคลหรือไม่สำหรับการอ้างอิงในหนังสือมีตัวย่อคำพีอ้างอิงไว้ทุกบทนะครับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือซึ่งเป็น PDF นํานำไปค้นคว้าต่อได้นะครับ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 และวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวริษเป็นต้นคงเป็นด้วยเหตุนี้การกระทำตามระบบเดิมเช่นการบนบานการวิงวอนการสาบแช่งการสะบดสาบานผสมสาบจึงยืนยงและแพร่หลายกว่าการสะบดษาบานตามความหมายเดิมล้วนเป็นเพียงคำมั่นแต่ที่ทำกันมากมีการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสาบแช่งด้วยว่า ถ้าทำหรือไม่ทำอย่างนั้นขอให้ประสบผลร้ายอย่างนั้นๆบันทึกที่สพระพุทธเป็นมนุษย์หรือเทวดาคติพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดานี้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 จึงมักถูกดึงลงไปสู่ลทัทธิไหววอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอริษดวบรรดาลได้ง่ายข้อนี้อาจเป็นจุดอ่อนที่พิจารณากันไปได้ต่างๆแต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ว่าเราได้ยกเอาขอบเขตที่ท่านวางไว้ขึ้นมาปฏิบัติกันหรือเปล่าและคอยย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องกันไว้หรือไม่ยิ่งถ้ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอยู่แล้วก็ควรจะยิ่งระมัดระวัง รักษาหลักการให้แข็งคันยิ่งขึ้นมองอย่างหนึ่งเหมือนกับพูดว่าชาวพุทธ ฝ, ฝ่ายชาวบ้านจะไปนับถือกราบไหว้ยกย่องเทพเจ้ากับเขาอย่างไรก็ได้แต่ก็ไม่ใช่อ้อนวอนหรือมั่วสุมแต่ยานับถือให้สูงกว่าความสามารถของมนุษย์ที่ตนมีอยู่ก็แล้วกันเทวดาจะสูงเท่าใดก็ได้แต่ที่สูงสุดนั้นคือมนุษย์ คือท่านผู้เป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายหรือถ้าไม่คล่องใจที่จะนึกถึงภาพเทพเจ้าที่ตนเคยเคารพเทิดทูนมากราบไหว้มนุษย์ก็อาจจะมองมนุษย์ผู้สูงสุดมาอีกแนวหนึ่งว่าเป็นผู้ได้พัฒนาตนจนถึงภาวะสูงสุดพ้นไปแล้วทั้งจากความเป็นเทพเจ้าและความเป็นมนุษย์โดยขอให้พิจารณาพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ ข้อความมีลักษณะเล่นทอยคำจึงแปลรักษาสำนวนเพื่อผู้ศึกษามีโอกาสพิจารณาครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จพุทธดำเนินทางไกลพรามผู้หนึ่งได้เดินทางไกลทางเดียวกับพระองค์มองเห็นรูปจากที่รอยพระบาทแล้วมีความอัศจรรย์ใจครั้นพระองค์เสด็จลงไปประทับนั่งพักที่โคนไม้ต้นหนึ่งข้างทาง รามเดินตามรอยพระบาทมามองเห็นพุทธลักษณะการที่ประทับนั่งสงบลึกซึ้งน่าเลื่อมใส ย, ยิ่งนักจึงเข้าไปเฝ้าและทูลถามว่าท่านผู้เจริญคงจะเป็นเทพเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าน่รามเทพเจ้าเราก็จักไม่เป็นทูล ถ, ถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญคงจะเป็นคนทันคนทันเราก็จักไม่เป็น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 รับตอบว่านี่นะพรามอสวะเหล่าใดที่มื อ, อยังละไม่ได้จะเป็นเหตุให้เราเป็นเทพเจ้าเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์อสาาวะเหล่านั้นเราละได้แล้วถอนรากสีแล้วหมดสิ้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไปเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญเธริกเกิดในน้าเจริญในน้าแต่ตั้งอยู่พ้นน้าไม่ถูกน้ำฉาบติดชั้นใด